หกุตตระติกะ 6. สัมปยุตตวานหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาณเหตุปัจจยัย3ามรสภาวธรรมที่เป็นกุศลสัมปยุตกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจยัยได้แก่ขันสามสัมปยุตกับขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่ง สัมปยุทธ์ก e ับขันสามเกิดขึ้นขันสองสัมปะยุทธ์กับขันสองเกิด <hockey> ขึ้น393สภาวธรรมที่เป็นอกุศลสัมปยุทธ์กับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามสัมปยุทธ์กับขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งสัมปะยุทธ์กับขันสามเกิดขึ้นขันสองสัมปะยุทธ์กับขันสองเกิดขึ้น สามร้อสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤะสัมพยุติกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามสัมพยุติกับขันหนึ่งที่เป็นอัพยกตวิบากและที่เป็นอัพยกตกิริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งสัมพยุติกับขันสามเกิดขึ้นขันสองสัมพยุติกับขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสาม สามประยุทธ์กับขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตาวิบากเกิดขึ้นขันหนึ่งสัมประยุทธ์กับขันสามเกิดขึ้นขันสองสัมประยุทธ์กับขันสองเกิดขึ้นในวงเล็บยอ่อ 1. ปัจจญานุโรม 2. ส, สังขยาวานสุทธไนสามยเก้เหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระ อธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระสมาันตรปัจจัยมีสามวาระสหัชชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิจยปัจจัยมีสามวาระอุปนิจญาปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัย มีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหน Clear ึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุติปัจจัยมีสามวาระวิประยุติปัจจัยม um ีสามวาระ อธิปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตาปัจนัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตาปัจจัยมีสามวาระอวิคตาปัจจัยมีสามวาระอนุโลมจบสองปัจจัยปัจจนิยะหนึ่งวิพังควานนเหตุปัจจัย 396สภาวธรรมที่เป็นอกุศลสัมพยุติกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ถอรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ถรคตด้วยอุทธจจะสัมพยุติกับขันที่ถรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ถรคตด้วยอุทธจจะเกิดขึ้น397สภาวธรรมที่เป็นอัพยากระต สัมปยุท์กับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะนาเหตุุปัจจัยได้แก่ขันสามสัมปยุทธ์กับขันหนึ่งที่เป็นนาเหตุุุกะซึ่งเป็นอัพยาคตาวิบากและอัพยาคตากิริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งสัมปยุทธ์กับขันสามเกิดขึ้นขันสองสัมปยุทธ์กับขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนาเหตุุุกะขันสามสัมปยุทธ์กับขันหนึ่ง ที่เป็นอภยากตวิบาเกิดขึ้นขันหนึ่งสัมปยุทธ์กับขันสามเกิดขึ้นขันสองสัมปยุทธ์กับขันสองเกิดขึ้นในวงเล็บยอ่อ 2. ปัจจยปัจจเนยะสองสังขยาวานสุทธนัย398ในเหตุปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอาเสวะนปัจจัยมีสาวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสาวาระนัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อปัจจ尼ยจบ 3. ปัจจยานุโลม ปัจญญาเหตุทุกข์กันในสอก้ิกณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ นากรรมมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในมืงเล็บย่ออนุโลมปัจญิยะจบสปัจจยปัจญิยานุโลมนเหตุทุกข์กันใน 400อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระสหัชชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระนิตยญาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ อุปนิสเสียปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระกรรมมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระ อินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระชานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระ นาติปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีสองวาระวิคตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บย่อปัจจนิยานุโลมจบสำปรยุตตะวานจบในวงเล็บสังสัทวานได้แก่สำปรยุตตวานสำปรยุตตวานได้แก่สังสัทวา หนึ่งกุศลติกะ7ปัญหาวานหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวานเหตุปัจจัยสี่อเอดสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยด้แก่เหตุที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตขันโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูป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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอภิยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นอภิยากตวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและกตาตารูปโดยเหตุปัจจัย อารัมณปัจจัยส0 4สสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดอยอารัมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระเสขาพิจารณาโคตรตรพู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 อากินจัญญายัจนาคุศโสเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญาณาสัญญายัจนาคุตโสโดยอารมามณปัจจัยขันธ์ที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิญญาณเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมมูปะคยานและอนาคตสังสยานโดยอารมามณปัจจัยสี่ร้อยห้า สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารามานปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นป ร, ราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมานต์จึงเกิดขึ้น บุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสังสมไม่ดีแล้วเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นปราค้าจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัตจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌานเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้น ราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธะ จ, จึงเกิดขึ้นสำหรับท่านผู้มีวิปติสารเมื่อชาญเสื่อมแล้วโทมนัตจึงเกิดขึ้น